พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่11บทนำของมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาต่อเนื่องจากมัชเชนธรรมมเทศนามัชเชนธรรมมเทศนาคือธรรมะที่พระพุท ธ, ธเจ้าทรงแสดงเป็นกลางๆตามความจริงของธรรมชาติ คือตามสภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันเองตามเหตุปัจจัยไม่ติดข้องในทิฏฐิคือทฤษฎีหรือแนวคิดเอียงสุดทั้งหลายที่มนุษย์วาดให้เข้ากับสัญญาที่ผิดพลาดและความยึดความอยากของตนที่จะให้โลกและชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังได้กล่าวแล้วว่ามัชเชนธรรมเทศานานี้หมายถึงหลักปฏิจจสมุปบาท ได้แก่กระบวนธรรมะแห่งการเกิดขึ้นพร้อมโดยอาศัยกันและกันของสิ่งทั้งหลายกระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทที่ชี้แจงเรื่องความทุกข์ของมนุษย์นั้นท่านแสดงไว้เป็นสองแบบหรือสองสายสายที่หนึ่งแสดงการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระและจัดเป็นคำจํากัดความของอริยสัจข้อที่สอง คือสมุทัยอริยสัจสายที่สองแสดงการดับไปแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระและจัดเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สคือนิโรธอริยสัจโดยสรุปมัชฌิณธรรมเทศนาแสดงกระบวนธรรสองสายคือหนึ่ง สมุทยัยเท่ากับปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระในที่นี้คือแต่ละสิ่งเป็นปัจจัยแก่การตามลำดับนะครับอวิชชาสังขารวิญญาณละจนถึงชาติจรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมัสอุปายาตเท่ากับเกิดทุกข์ 2. นิโรธ คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับลาจนถึงชาติดับชรามระโสกะจนถึงอุปายาดดับเท่ากับดับทุกการที่จะแสดงสมุทยัยก็เพราะมีทุกขเป็นตัวปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องสืบค้นหาสาเหตุดังนั้น จึงได้บรรยายเรื่องสภาวะธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาคือความทุกข์นั้นไว้แต่ต้นในภาคมัชเชนาธรรมเทศนาส่วนนิโรธก็มีความหมายกว้างนอกจากหมายถึงกระบวนการที่จะทำให้ทุกข์ดับคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแล้วยังกินความถึงนิพพานที่เป็นภาวะดับทุกข์หรือภาวะไร้ทุกข์ด้วยดังนั้น ในภาคมัชเชมธรมมเทศนาจึงได้บรรยายไว้ทั้งกระบวนการดับทุกข์และภาวะแห่งนิพพานเมื่อได้แสดงทั้งเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์กระบวนการดับทุกข์และภาวะหมดทุกข์แล้วก็น่าจะเป็นอันครบถ้วนกระบวนความควรจะจบสิ้นเนื้อหาของพุทธธรรมลงได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ทั้งนี้เพราะว่ามัชเชนธรมมเทศนา แสดงแต่สภาวะธรรมที่เป็นไปตามธรรมดาของมันเองตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์ดังที่กระบวนการดับทุกอันเรียกว่านิโรธซึ่งอยู่ในฝ่ายของมัจเจนะธรรมเทศนานั้นเป็นแต่เพียงตัวกระบวนการของธรรมชาติล้วนๆกล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ไม่ได้ชี้แจงแนะนำรายละเอียดในทางปฏิบัติตยางใดกล่าวคือบอกแต่เพียงว่าในการเข้าถึงจุดหมายคือความดับทุกข์กระบวนรธรรมะจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะให้กระบวนธรรมะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้หรือว่าถ้าต้องการให้กระบวนธรรมะเป็นอย่างนั้นมนุษย์ควรปฏิบัติการอย่างไรจะต้องทาอะไรบ้าง เป็นอันว่ามัจเจนะธรรมเทศนามีขอบเขตจำกัดอยู่ภายในเรื่องของสภาวะธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันในธรรมชาติมนุษย์เรียนรู้เรื่องมัจเจนะธรรมเทศนามาตามลําดับจนถึงรู้จักกระบวนการดับทุกข์ในข้อว่าด้วยนิโรธเป็นอันได้เข้าใจหลักการดับทุกข์หรือหลักการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังต้องการคําแนะนําในทางปฏิบัติต่อไปอีก ว่ามีวิธีการที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการหรือกระบวนการนั้นได้อย่างไรนี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการของธรรมชาติกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์ข้อสำคัญที่ต้องเน้นคือวิธีปฏิบัติของมนุษย์จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการของธรรมชาติหรือการปฏิบัติของมนุษย์จะต้องให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติ วัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงจะสำเร็จหลักการในเรื่องนี้คือเรียนรู้เข้าใจกระบวนการของธรรมชาติแล้วปฏิบัติตามวิธีการของมนุษย์ให้เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสาหรับกระบวนการของธรรมชาติหน้าที่ของเราคือต้องรู้ส่วนการปฏิบัติ เราทำตามข้อกำหนดหรือรายละเอียดที่วางขึ้นตามความรู้นั้นเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติของมนุษย์ได้การปฏิบัติข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทาในที่นี้มีความหมายเฉพาะ หมายถึงข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติหนทางวิธีการหรือวิธีดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความดับทุกข์ปฏิปทาเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดวางไว้แล้วโดยสอดคล้องกับกระบวนการดับทุกข์ที่เป็นมันเจนธรรมเทศนาดังที่กล่าวแล้วข้างตน้นและทรงเรียกปฏิปทานนั้นว่า มัจจิมาปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติมีใน่้ำกลางหรือเรียกง่ายๆว่าทางสายกลางหมายถึงข้อปฏิบัติวิธีการหรือทางดาเนินชีวิตที่เป็นกลางกลางตามธรรมชาติสอดคล้องกับกฎธรรมชาติพอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข์ของธรรมชาติไม่เอียงเข้าไปหาขอบสุดสองข้าง ที่ทำให้ติดปัวพันอยู่หรือเฉะถลัยออกไปนอกทางมัชฌิมาปฏิปทานี้มีชื่อเรียกอย่างง่ายๆว่ามัคซึ่งแปลว่าทางทางนี้มีส่วนประกอบ8ดอย่างและทำให้ผู้ดําเนินตามเป็นอริยชนจึงเรียกชื่อเต็มว่าอริยอัดทางคีกามัคหรืออริยอสดางคีกามัค พระพุทธเจ้าตรัสว่ามรกคาที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทานี้เป็นทางเก่าที่เคยมีท่านผู้เดินทางถูกต้องไปถึงจุดหมายเคยเดินกันมาในการก่อนแล้วพระองค์เพียงแต่ส่งค้นพบและส่งเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ส่งทําหน้าที่แนะนำบอกทางนี้ให้แก่เวในยชนมรคหรือมรกคานี้ เป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะทําให้เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข์ของธรรมชาติคือทำให้เหตุปัจจัยต่างๆส่งผลสืบทอดกันไปจนสำเร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้นเมื่อได้มรรคคาน้แล้วก็เป็นอันก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในข้อนิโรธมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในขอมรรคต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผ่านจากขั้นรู้ความจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติมาสู่ขั้นประยุกต์ความรู้นั้นจัดวางเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติของมนุษย์เพื่อให้มองเห็นภาพการก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธออกมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในมรรคชัดเจนขึ้นอาจเขียนให้ดูได้ดังนี้นิโรธอวิชาดับ สังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับสลายตนาดับจนถึงชาติดับชราดับโสกะจนถึงอุปาญาติดับเท่ากับดับทุกมัคสัมมาทิฏฐิบวกสัมมาสังกัปปะบวกสัมมาวาจาบวกสัมมากามัรมตะบวกสัมมาอาชีวะบวกสัมมาวายามะ บวกสัมมาสติบวกสัมมาสมาธิไปสู่การดับทุกข์สัมมาธิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดมริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมัตตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบ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 ไม่เกิดปัญหาเลยทีเดียวส่วนมัควางวิธีปฏิบัติที่ยืดหยุนได้อาจขยายรายละเอียดข้อปฏิบัติออกไปเป็นยากง่ายหลายระดับกระจายออกจากองค์มัค8ข้อนั้นไปอีกได้อย่างมากมายกลายเป็นระบบอันซับซ้อนเป็นวิธีการที่จะบรรลุภาวะหมดปัญหานั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเร็วช้าทำให้ปัญหาลดลง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 เป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไปมีการสั่งสมพลังฝ่ายดีให้แรงกล้าขึ้นเพื่อเอาชนะพลังเหตุปัจจัยฝ่ายร้ายที่หน่วงเหนียวหรือขัดขวางจึงต้องมีการเน้นเรื่องการละความชั่วบำเพ็ญสั่งสมความดีในหลายระดับโดยเฉพาะในระดับที่ยืดยาวนิโรธเป็นขั้นหลักการมร เป็นขั้นวิธีการเทคนิคอุบายวิธีและอุปกรณ์โดยอุปมาอย่างหนึ่งเปรียบนิโรธเหมือนหลักการดับไฟหรือกระบวนการทำให้ไฟดับตามธรรมชาติแท้ๆซึ่งอาจพูดเพียงว่าทำให้ขาดเชื้อหรือทำให้ขาดออกซิเจนหรือทำให้วัตถุลดอุณหภูมิคือเย็นลงจนต่ำกว่าจุดที่จะลุกไหม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 โดยอุปมาอีกอย่างหนึ่งเปรียบนิโรธเหมือนหลักการรักษาโรคกล่าวถึงการแก้ไขกาจัดสาเหตุโดยตรงเช่นกำจัดเชื้อโรคกาจัดสิ่งเป็นพิษหรือของแปลกปลอมจากภายนอกแก้ไขความบกพร่องหรือความเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเติมสิ่งที่ร่างกายขาดแคลนปรับปรุงจิตใจเป็นต้นเปรียบมกักเหมือนวิธีการรักษา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 และการฝึกแพทย์พยาบาลมาทำหน้าที่โดยเฉพาะเป็นต้นซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนพิสดารเป็นอย่างมากมัคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้แม้จะมีองค์ประกอบเพียงแปดอย่างแต่ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถขยายกระจายออกไปและจัดวางใหม่เป็นระบบที่มีรูปแบบขั้นตอนและลำดับต่างๆกันได้อย่างมากมาย